Allahu ma bika asbahna wa bika a ب s a y n a wa bika nahya wa bika namuti wa ilaikan nushur أعوذ بِكَ لِمَاتِ اللَّهِ تَمَاتِ مِنْ شَرِّ مَا خَلَقَ بِسْمِ اللَّهِ الَّذِي لَا يُضُلُّ مَا أ َ س ْ م ِ ه ِ ش َ ي ْ ئ ً فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي ا ل س َّ م َ ا ء ِ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ رَضِيتُ ب ا ل ل ه ر و ب ا ل إ س ل ا م د ي ن ا ว ب บิมูฮัมมั ل ا ل ลลัล يَنِّي ع و ذ ُ بِكَ مِنَ الْكَسَلِ وَسُوءِ الْكِبَرِ رَبِّ ع و ذ ُ بِكَ مِنْ عَذَابٍ فِي النَّارِ وَعَذَابٍ فِي الْقَبْرِ اللَّهُمَّ ا ف ِ ن ِ ي فِي بَدَنِي و َ ا ع ف ِ ن ِ ي فِي سَمْعِي و ا ف ع و آ ف ِ ن ِ ي فِي ب َ ص ر ِ ي سُبْحَانَ ا ل ل َّ ه وَبِحَمْدِهِ عَدَدَ خ َ ل ق ه و َ ر ض ا ف ه و َ ز ن ة أ ر ش ه و ่ م มีด ah uh. <t> ่าด <t> ้กคำมัติที่ยาให้ย์ยาคอยุ่มปรหัฏมดิคาอัลตักริสุอัลลิฮ์ลิชาอฺนิคุลลัหฺวะลาตะคิลนีอีลานับิอน عليكم و ر ح م الله وبركاته อัลฮัมดุลิลน้องที่ติดตามรายการนะครับวันนี้ไม่ได้จัดที่มัสยิดนะครับจัดข้างนอกที่บ้านผมเอง นะค ร, รับธรรมดาเราก็จะตักซีดนะครับหลังนมาศุบัวก็ประมาณตีห้าสิบห้านาทีแต่เนื่องจากข้างๆมัสยิดเนี่ยข้างๆทีเอ็มทีวีเนี่ยมีมีคนติดโรคโรคโควิดนะครับทั้งครอบครัวเลยนะครับแล้วก็ทั้งครบงอบครัวก็เลยเราก็ ไม่อยากจะให้โรคนี้กระจายไปทั่วเราก็ต้องระวังตัวนะใส่แมสแล้วก็กักตัวอยู่ในบ้านการกักตัวอยู่ในบ้านเนี่ยเป็น้องค์ับเป็นาศาสนาเพราะท่านนาบีสอนบอกว่าใครที่รู้ข่าวหรือว่ามีคนเป็นติดโรคโรคระบาดแบบนี้นี่นะครับยัมกุสุฟีไบตีให้อยู่ที่บ้าน ซอบิรน์มูฮตสิบันอยู่ที่บ้านอยู่แบบไหนครับอยู่ด้วยความอดทนแล้วก็หวังละวันตอบแทนจาก Allah นะครับแล้วก็พี่น้องต้องขอดูอ่านด้วยนะครับขอดูอ่านว่าอย่างนี้ Allahumma inni awuzubika min albarasib aljununiyaljudam wa min sayil asqam covid แปลว่าฉันขอขอความคุ้มครองจาก Allah ให้พ้นจากโรคโรคอะไรโรคสีผิวผิวด่าง โรคเครียดแล้วก็โรคโรคอะไรเนี่ยโรคระบาดที่ร้ายแรงนะครับให้ห่างไปจากพวกเราทุกคนนะครับและพี่น้องมุสลิมทั่วโลกนะครับ mm hmm. พี่น้องครับด้วยความเมตตาของอัลลอ์ดุอาที่ผมอ่านตอนเริ่มต้นเน่ยเป็นดุอาเขาเรียกว่าอัลกัตฟิสระบะอัลการในตอนเช้านะครับพี่น้องบัดดาอาเลมอลมะทั่วโลกเนี่ยเขาก็อ่านกันนะครับ ไม่ใช่อ่านเฉพาะคนไทยอย่างเดียวนะครับคนไทยก็อ่านผู้ที่ติดตามรายการก็อ่านดูอาตอนเช้านะครับแล้วอ่านตอนเย็นอีกนะพี่น้องมีทั้งหมด19บบทแต่ผมนำมามาเพียงหกเจ็ดบทเท่านั้นเองพี่น้อง เ, เราอยู่ในช่วงของการอธิบายอัลกุรอานอยู่ในสุร์ตอฮานะครับสูร์ที่สามสิบแปดนะครับวันนี้ตั้งแต่อายาที่ห9สบเกนะครับ ถึง77ประมาณ8อาญาด้วยกันขอทบทวนิดๆนะครับว่าเมื่ออาทิตย์ที่แล้วนี่นะเราพูดเรื่องอะไรครับอาญาที่67กับ68เนี่ยผมอ่านอีกนิดนึงนะครับอุลฮุวานาบาอุนอาลีมอันตุมอันฮูมูอรลิบุของอาทิตย์ที่แล้วนะครับ กุลฮวบอูนอามครับแปลก็คือกุลม u h มม m a เออจงกล่าวจงตำลิกจงสอนจงด่าวะให้กับพี่น้องมุชริกในนครมักกะบอกว่าฮุวาบอนอาลมมันคือข่าวอันสำคัญอธิบายยังไงครับการที่ท่านนบี ถูกแต่งตั้งให้เป็นนบีคนสุดท้ายแล้วก็อัลลอฮ์ประทานอัลกุรอานลงมาผ่านนบีมุฮัมมัดนะครับแล้วก็คำสอนของอิสลามเนี่ยสามรายการในหนึ่งอัลกุรอานที่ผ่านนบีสองการแต่งตั้งให้ท่านนบีเป็นนบีคนสุดท้ายเนี่ยพอถึงมกรการนี่เป็นครังคราวหลังจากนบีอิสมาฮิแล้วนี่ไม่มีนบีมาอีกเลยนะพี่น้อง ส่วนใหญ่จะไปมีนบีอยู่ในพวกบนันิอิสราอีนอยู่ในปาเลสไตน์เนี่ยเยอะที่สุดมาถึงนบีคนสุดท้ายนาบีอซาอัลัยฮิสลามแล้วก็ประมาณอีก 400- ร้อถึงห้าปีนะครับอัลลอฮ์ก็แต่งตั้งนบีมุฮัมมัดคนสุดท้ายที่นครมักกะเป็นลูกหลานของอิสมาอิน ล, ลูกชาของนบีอิบราฮิมอัลัยฮิสลามเป็นพี่น้องกัน การมาและการแต่งตั้งมุฮัมมัดให้เป็นนบีเนี่ยเป็นข่าวใหญ่แล้วก็การมีอัลกุรอานผ่านนาบีก็เป็นข่าวใหญ่นะครับใครที่ปฏิเสธข่าวเหล่านี้ระวังให้ดีนะท่านจะ ล, ลําบากหลังตายหลักอัอลลอฮ์ก็กล่าวผ่านนาบีอิฆยิบรีมาสอนบอกว่าอันตุมานฮูโมอริดุนซึ่งพวกท่านทั้งหลายเนี่ยหันห่างหันหามหมายถึงว่า ไม่สนใจอัลกุรอานไม่สนใจนบีไม่สนใจสุนนะนบีไม่สนใจคําสอนของนบีไม่มีใครสนใจกับฉันคนที่ไม่สนใจอัลกุรอานไม่สนใจนบีไม่สนใจคําสอนของนบีนี่นะครับพวกนี้เป็นยังไงครับหันห่างไม่สนใจเขาจะได้รับความวิบัติ แต่อยู่บนดุนยานี่อยู่สบายมากครับพี่น้องคนไม่เอาอิสลามอยู่สบายไหมสบายมีบ้านอยู่มีภรรยาสวยๆมีอาหารการกินมีรถให้ใช้มีงานให้ทํามีนู้นมีนี่สารพัดพี่น้องจะทําอะไรก็ได้แต่การทิ้งอิสลามการไม่มีนบีมุฮัมมัดการไม่มีอัลกุรอานเป็นทางนําชีวิตและไม่มีซุนนะนบีเป็นแบบอย่างในการดําเนินชีวิตพวกเขาจะได้รับความ วิบัตรนะครับหลังจากเขาตายไปแล้วอาวันนี้มานะครับมาอายาที่หกสิบเก้านะครับมากกนลีมลไลนมินมากกนลีมินอิลมิบิลมาลออิลอาลาอิ้ยาข้ซมูนมากกนลี มากนาเลียมินอิลมินบิลมาลัอัลอาลาอิ้ยาขตอสิุน alhamdulillah. ไปน้องรับตามธรรมดาเรามีอาจารย์อิมรอนนะครับอ่านนำท่านพี่น้องแต่วันนี้เนื่องจากอาจารย์อิมรอนก็อาจจะมาที่สุรา <laughs> วดก็ทาก็เลยไม่ได้อ่านนำนะครับอ่านเลยนะครับมากานาเลียมินอิลมิน อายาที่69นะครับแปลว่าอะไรครับมากานาลิ亚马ไนลมินฉันไม่มีความรู้ไอหมุนแปลว่าความรู้มากานาไม่มีลิยะแปลว่าฉันต้องการจะบอกว่านบีมุ h ม m m a เนี่ยให้นบีประกาศบอกว่าฉันนี่นไม่มีความรู้เรื่องอะไรครับบิลมาลาอิลอาลาเรื่องราว เกี่ยวกับหัวหน้าชั้นสูงมาละแปลว่าหัวหน้าอาลาแปลว่าชั้นสูงต้องการอธิบายแบบไหนครับคือมาลาอิกาอัลลอฮ์ใช้ภาษาดีนะครับมาลาอุลอาลาหรือมาลาอิลอาลาแปลว่าหัวหน้าชั้นสูงหมายถึงบรรดามาลาอิกาที่ทําหน้าที่อยู่บนชั้นฟ้าพี่น้องครับ อิยักตอริมูนเมื่อพวกเขาโต้เถียงกันรู้ไม่โต้เถียงกันเรื่องอะไรเรื่องของอาดัม <c oughs> เรื่องของนบีอาดัมอลัยฮิสสลามนาบี ม, มุ hammad เนี่ยอัลลอฮ์เล่านะครับให้จิบรีนมาเล่าให้นบีฟังว่าตอนที่อัลลอฮ์จะสร้างอาดัมขึ้นมาเนี่ยอัลลอฮ์ได้เรียกมาลาอิกะนะครับ แล้วก็ใส่ตอนด้วยยินด้วยอยู่ในกลุ่มเดียวกันหมดเลยพี่น้องนี่เล่าให้นบีมุฮัมมัดฟังเพื่อให้นบี ม, มาสอนพวกเราวันนี้ว่าวันที่อัลลอฮ์จะสร้างอาดัมนะครับอัลลอฮ์ก็เล่าวระชันเนี่ยจะสร้างอาดัมมาจากดินนะแล้วก็ะมะมะะอามมัลยิกาสก็นั่งอยู่ในกันอัลลอฮ์เล่าให้ฟังพวกมัลยิกาสก็ค้านนะพี่น้องอิสยาคาตซีมูนพวกเขาเนี่ โตเถียงกันเรื่องของอาดัมมาลาอิกาคารบอกว่าสร้างอาดัมมาทำอะไรพระวชิร น, นี่เคยอยู่กับยินมาก่อนพวกยินเนี่ยชอบทะเลาะกันชอบเห็นค่ากันทะเลาะกันนองเลือดกันถ้าจะสร้างมนุษย์มามนุษย์ก็คงจะไม่คงนนจะไม่ต่างอะไรกับยินเท่าไหร่หรอกครับแสดงว่าอาลัลลอ์เนี่ยสร้างยินมาก่อนมนุษย์เพราะเราอานอายาหนึ่งที่บอกว่า ว่ามาคนรักตุลยินอัลอินซาอิลละยาบุดูฉันไม่ได้สร้างยินและมนุษย์มาเพื่ออื่นใดนอกจากจะให้ยินและมนุษย์เนี่ยมาเคารพภักดีต่ออ AH ัลลอฮ์สุบฮานะหุวาตอัลลนี่แสดงว่าเราเนี่ยมนุษย์เนี่ยมาจากดินนะครับมาจากนาบีอา ด, ดัมแล้วก็ยินเนี่ยมา ก, ก่อนเรานะครับรายการรายกานอัลลอฮ์ว่าจะสร้างมนุษย์ขึ้นมาทําอะไร อัลลอฮ์เล่าบอกว่าเล่าให้นบีมันฟังว่ามาลายมาลายการเนี่ยเขาโต้เถียงกันเรื่องของอาดัมพี่น้องครับในอายะอื่นอธิบายอย่างนี้กับอัลลอฮ์เนี่ยสร้างมนุษย์มาจากดินมายถึงสร้างนาบีอาดัมคนแรกเนี่ยมาจากดินนพี่น้องไม่มีพ่อไม่มีแม่สร้างที่สองมยวสีแบบสร้างฮาวะเนี่ยภรรยานาบีอาดัมมาจากซี่โครงของอาดัมประการที่สาสร้างนาบีน อีซาผ่านแม่ไม่ผ่านพ่อแล้วก็สร้างพวกเราวันนี้ผ่านพ่อและผ่านแม่การสร้างของมนุษย์เนี่ยอลัลลอฮ์เล่าผ่านนาบีนะครับฮะยบรีมาเล่าให้นบีฟังบอกว่ามนุษย์เนี่ยอลัลลอฮ์สร้างมานสีแบบแบบที่หนึ่งอาดัมสร้างมาจากดินไม่มีพ่อไม่มีแม่แบบที่สองภรรยาของอาดัมชื่อฮาวะเนี่ยผ่านพ่อไม่ผ่านแม่ สร้างนาบีอิสานี่ผ่านแม่ไม่ผ่านพ่อแล้วก็สร้างพวกเราวันนี้มีทั้งพ่อและแม่นี่เป็นความสามารถของอัลลอ์สุบาหา์นะว่าแต่ละเป็นทางการปริฆกาเถียงกันโต้กันนะครับว่าสร้างอาดัมมาทำอะไรนี่อัลลอ์เล่าให้นบีฟังแล้วนบีก็มาสอนพวกเราวันนี้ มากานาลียะมินอิลมินมิมมาลาอัลอ า, ลาอิซยักตาซิมูนฉันไม่มีความรู้ในเรื่องราวของหัวหน้าชั้นสูงหมายถึงหน้าที่ของมลาอกะนะครับเมื่อพวกเขายักตาซิมูนแปลว่าโต้เถียงกันคําว่าโต้เถียงกันก็เราก็เคยฟังมาแล้วว่า คนในนรกนั่นค่ะก็ด่ากันนะก็ใช้สามคำนี้แหละคอซามะหรือตอคอซามะยักต่อสิมูลพราะเขาโต้เถียงกันคนชาวนรกลุกน้องกับลู ก, ลกพี่น้องทะเลาะ ก, กันใช่ไหมก็ใช้สามคํานี้แหละยักต่อสิมูลเหมือนกันต่อมาครับอลัลลอฮ์สร้างมนุษย์มาจากดินเสร็จแล้วก็ซุ่มมามินนุษย์ฟ้าพอสร้างมาจากดินเสร็จแล้วก็สร้างมาจากน้ําอสุจิ ซุมมมินาแล้วก็แล้วก็สร้างมาจากก้อนเลือดแล้วก็มีเนี่ยมีหูมีตามีจมูกพอครบร้อย ร, อ ย, รอ ย, ยี่สิบวันนะครับแล้วก็เป่าวิญญาณ ล, ลงไปในร่างขณะที่เด็กอยู่ในคานมานดานี่เป็นการสร้างของอัลลอฮ์อัลล์เล่เ า, เ า, เาผ่านนาบีมุฮัมมัดให้นบีเนี่ยมาสอนพวกเราวันนี้เอาต่อมาครับอายาที่เจสิบ อิยูฮาอิลัยย์อิَลั่ออัลน ذ าอานาณิรุมมบินอิยูฮาอิลัยย์อิลลั่ออัลนมาอานาณิรุมมบินอัลฮัมดุลิลลา i ์พี่น้อ พอทะเลาะกันแล้วเนี่ยนะครับอลลาะก็เล่าอีกเรื่องหนึ่งให้ให้ให้นบีฟังบอกว่าอียูฮาอีแปลว่าไม่มียูฮาแปลว่าการวายหรือการโดนใจอิล ย, ยะแก่ฉันนอกจากที่ได้มีได้มีวายก่อฉันนอกจากที่ได้มีวายแกฉันว่าอิล อันนามาอันนาซีรุมมมบีแท้จริงฉันเป็นผู้ตักเตือนอันชัดแจ้งเท่านั้นในเรื่องที่สองเลนะพี่น้องที่ว่ามีข่าวอันยิ่งใหญ่ก็คือข่าวแรกก็คือสร้างนาบีมานาบีเป็นเป็นคนสุดท้ายประทานอันอันกรุาอาลงมาอายานี้มาเตือนอีกนะครับนอกจากที่ได้มีวาฮีแก่ฉันแล้วนะครับ ฉันเป็นผู้ตักเตือนอันชัดแจ้งเท่านั้นหมนะความว่าท่านนาบีนําเอาข้อตักเตือนมาสอนนี่นะผ่านวาฮีทั้งหมดเพราะนบีเนี่ยอ่านหนังสือไม่ออกเขียนก็ไม่เป็นพี่น้องแล้วเอาความรู้มาจากไหนนี่ไงความรู้น่ะคือว่าผ่านวาฮีความรู้ที่อัลลอฮ์ให้ยิบรีนนาเอาความรู้มาให้กับนบีนะครับพี่น้องยิ่งอ า, อายาแรกเนี่ยที่ไหนครับ นบีอยู่ที่ภูเขานะครับไปยะติกาไปทำอิบดอะดาตอรออยู่ต้องหลายเดือนแล้วก็ยิบรีนมาก็มากอดนบีถึงสามครั้งบอกว่าอิกราะอิกราะอิกราะนบีบอกว่าฉันอ่านไม่เป็นมาเลยกาก็มาสอนอิกราะบิสมิรับบิกะลลัดีคอลละขละัขลกลกับอินซ่านะมินขัลัก อิกร اء บรับุก am, ัลอกรัมอัลลอฮอัลลอมบิลกัลัมอัลลอฮ์มอินซานะมะลัมยะลัมอย่างนี้เป็นต้นนะครับที่เป็นความรู้ที่ผ่านนบีมุฮัมมัดนะครับพี่นะอายาที่เจ็ดสิบต้องการจะบอกว่านอกจากที่ได้มีวาฮีแก่ฉันแล้วนี่นะให้ทำอะไรให้ทําอานานารีรุมมุบีฉันเป็นผู้ตักเตือนอันชัดแจ้งจดา น, นฉะนั้นเป็นต้นครับคําสอนที่ออกมาจากริมฝีปากนบีนั่นนะ เป็นความรู้หมดเลยแล้วก็ความรู้นี่นะบีหาเองหรือไม่ใช่เป็นวาฮี huh. ที่มาจากอัลลอฮ์ผ่านยบรีนมาให้กับท่านนบีมูฮัมม şey ัดสุลลัลละอุลวะสซัลลัมตามอายาที่71อิดกอลารับบุกัลิลมาลาอิกติอินนีข้าลิกุมบาชารามินตีน อิจ์กล่าวรับคัลล์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์่์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์า์์์์์์์์์์์ล์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์ ผู้สร้างอินนีคอลิกุลแท้จริงฉันเป็นผู้สร้างกอลาได้ตัดว่ารับบูก้าพระผู้อภิบาลของท่านอี ก, ก, กแล้รับบูกาลิลมาลอา้อีกาติอีกแปว่าจงจำเลือกถึงเมื่อพระผู้อภิบาลของท่านตัดกอลาแปลว่าตัดแก่มาลยอีกาอันนี้อัลลอฮ์เล่าให้ในาบีบุห์มอัดฟัง อัลลเนี่ยนะคุยกับมาลายิกะหรือตัดกับมาลายกิกาบอกว่าอินนีคอลิกล์แท้จริงฉันนี่เนี่ยจะสร้างนะบาชรอนเป็นคนธรรมดาสามัญคนหนึ่งมินตีนจากดินล้อมเราพูดนี่กุณอานอะธิบายให้นบีพ่อหมัดฟังชัดเจนมากกัรไปน้องยากไหมไปน้องไม่ได้ยากสักนิดนึงไปน้อง อัลลอ์ได้กล่าวหรืออัลลอ์ได้ตัดแก่มาลาอิกะบนชั้นฟ้านะ่ะบอกว่าอินนีคอริกุมบาชรอมมินตีนแท้จริงฉันจะสร้างสามัญชนคนหนึ่งขึ้นมาพี่น้องครับพอเล่าอย่างนี้ปั๊บมาลาอิกาขวางเลยนาอุบิลลาิมซาริกพูดบอกว่าฉันจะสร้าง มนุษย์มาทําอะไรเพราะว่าฉันเนี่ยอยู่กับยินมาเนี่ยยินมันชอบทะเลกกาะกันมนุษย์ก็พอสร้างขึ้นมาก็มาทะเลาะ ก, กันอกีกอย่างนี้เป็นต้นนะครับเมื่อสร้างเมื่อสร้างอาดัมมาแล้วนี่เขาว่าสร้างมนุษย์คนแรกมาถึงนบีอาดัมไม่มีพ่อไ ม, ไม่มีแม่สร้างมาจากดินนะครับพี่นอ้องอัลลอฮ์ก็สั่งให้ให้ไงนะให้ให้มาลาอิกะเนี่ยสู้อยู่ต่อนบีอาดัม นี่เป็นความรู้ที่เราได้ยินกันมาเป็นความรู้ที่เราได้ได้ผ่านกันมาที่บรรดาอาลิมอุลมามะก็สอนกันอยู่ในประเทศไทยนะครับพี่น้องว่าเมื่อสร้างอาดามมาแล้วเนี่ยอลัลลอฮ์สั่งให้ให้มล า, ายกาเนี่ยทั้งหมดมียินด้วยนะพี่น้องให้สุญญดต่ออาดามฟาซาจะดูบรรดามล า, ายกาทั้งหมดสุญญ์ต่ออาดัมเพราะมาลายกาเนี่ยไม่ไม่เป็นผู้ที่ทรยศต่อคำำอําสั่งอัลลอฮ์ อัลลอฮ์สั่งอะไรทําหมดเลยนะครับอิลล์อิบลิสยกเว้นอิบลิสอิบลิสนะใครรู้บ้างเป็นเป็นพ่อของยินเป็นหัวหน้ายินอลัลลอฮ์ไปน้องครับเนี่ยวเวลายินเข้าบ้านไปน้องครับทําไงถูกไหมครับมีวิธีไล่อยู่อย่างเดียวอ่านสามกุญเปิดอลัลกรุรอานยินหนีหมดไซา์ตอนหนีหมดอิบลิสก็หนีหมดไปน้องครับพวกนี้ ไม่ชอบเสียงอา่านไม่ชอบเสียงอ่านอัลกุรอานไม่ชอบคนที่อ่านสามกุ้นอ่านอายะกุซรีเนี่ยยินไม่ชอบไซตตอนไม่ชอบอิบลิสไม่ชอบนะครับพี่น้องจะหนีออกหมดเลยนี่เป็นความรู้นะครับพี่น้องอาบาวัสตักบาราวากา้าเนมินอลกาฟีในอายะอื่นสุรบะกะร้อนนะครับบอกว่าอิบลิสเนี่ยเป็นผู้ที่ปฏิเสธจองของแล้วก็ไม่เชื่อว่าอัลลอฮ์อ้อไม่เชื่อ รู้รู้อัลลอฮ์แต่ไม่เชื่อคําสั่งของอัลลอฮ์อัลลอฮ์สั่งอะไรผู้นี้ปฏิเสธหมดเลยนะครับพี่น้องพี่น้องก็ันี่เป็นความรู้นะครับเป็นเรื่องเป็นความรู้ชินันสูลอซอดได้อธิบายเรื่องการสร้างของมนุษย์วันที่สร้างวันที่อัลลอฮ์สร้างอาดามขึ้นมาเนี่ยมะลากิกาเนี่ยขัดแย้งกันทะเลาะกันโต้เถียงกันนะครับเอาต่อมาครับอายาที่72 فإذا ََ سويته ُ ونفخت ََُ فيه ِ من الروح فقع له سجدين فإذا سويته ونفخت َََُْ فيه ِ من الروح ฟ้าเก่าแล้วซาจีดีนอัลลอฮฺอักบัดอัลลอฮฺเล่าในคัฟีรุรานให้ยิบรินนามาให้กับนบีละเอียดยิบพี่น้งครับเข้าใจง่ายนะครับพอสร้างอาดามเสร็จแล้วอัลลอฮฺเล่าบอกว่าไฟอาซาไวตุหูเมื่อได้ทำให้เขาสมบูรณ คือมีแขนมีขามีจมูกมีปากมีนู่นมีนี้พปเนองอลัลลอฮ์สร้างสมบูรณ์หมดพปน่นองครับัมดูลิเล่ทำดูลิเล่เนี่ยลอ เ, เล่านะเมื่อฉันสร้างอาดัมซาวยตูหูฉันได้ทำให้เขาสมบูรณ์แล้วข้อต่อมาครับวานาฟักตุนาฟัขอแปลว่าเป่าวานาฟักตุฉันได้เป่าฟีฮิลงไปในเขา ในวิญญาณของขาวฝันนั้นะรู้ให้วิญญาณของฉันรู้วของฉันเนี่ยอัลลอฮ์เล่าให้นบีฟังเล่าให้มนุษย์ฟังบอกว่ารู้วเนี่ยวิญญาณที่มนุษย์เนี่ยมีวิญญาณเข้าไปในร่างเนี่ยอัลลอฮ์ใส่ว่ารู้ให้วิญญาณของฉันเห็นไหมพี่น้องเป็นการให้เกียรติเป็นการเรสเ spect เป็นการยกย่องมนุษย์ มนุษย์ที่หายใจได้เดินได้พี่น้องเมื่อก่อนเนี่ยวิญญาณไม่มีกระดุกกระดิกไม่ได้พี่น้องเด็กที่อยู่ในคารม์มารดาหนึ่งรี่สิบวันพี่น้องครับพอมีวิญญาณนะครับอลัลลอฮ์ให้มลกิกามมาเป่าวิญญาณนะพี่น้องนะพอเป่าวิญญาณปั๊บเนี่ยกระดิกได้ดิ้นได้แม่ก็เอามือคำท้องโยลูกฉันดิ้นแล้วดีใจนะ่าดูเลย ว่านายลูกไม่ไม่ดิ้นไม่กระดิกอโลทั้งพ่อทั้งแม่ในใจเสียหมดแล้วลูกฉันตายหรือเปล่าต้องขอบคุณอัลลอฮ์พี่น้องครับแต่หลายคนมีลูกไม่เคยคิดถึงอัลลอฮ์เลยไปคิดถึงสิ่งอื่นนอกจากอัลลอฮ์น่ะไปกราบต้นไม้ต้นตะเคียนต้นนุนต้นนี้อัลลอฮ์ไม่ได้กราบอัลลอฮ์อัลลอฮ์ละนะกะฟีกุณอ่านว่านาฟักตุฉันได้เป่าฟี่ลงไปในเขา ไม่รู้ให้วิญญาณของฉันให้ไหมพี่น้องที่เป็นการให้เกียตรติมนุษย์แต่เวลามนุษย์คลอดออกมาจะาทองทองทองมารดาอัลลอฮ์ไม่มีใครให้เกียตรติอัลลอ์เลยพี่น้องไม่ได้ให้อาหารวิญญาณด้วยพี่น้องรู้ไหมอาหารวิญญาณอะไรรู้ไหมน้ำอาดครับอ่านกูรานเป็นอาหารวิญญาณครับทำดีกับพ่อแม่อาหารวิญญาณ อ่านุรานอาหารวิญญาณสู้ยุทอาหารวิญญาณนึกถึงอัลลอฮ์เป็นอาหารวิญญาณพี่น้องจากนั้นพี่น้องในโลกนี้นะครับประมาณสองพล้านคนเรสเพคอัลลอฮ์ให้เกียรติอัลลอฮ์เพราะรู้ว่าเมื่ออัลลอฮ์ให้วิญญาณมาอัลลอฮ์ก็ส่งอาหารวิญญาณตามมาด้วยในร่างกายของมนุษย์นะครับมันมีส่วนหนึ่งที่เป็นเนื้อหนังกระดูก ว, วิญญาณวิญญาณก็มีอีกอย่างหนึ่งที่อยู่ในร่างของเรา ร่างกายพี่น้องครับอาหารของร่างกายอัลลอฮ์เล่าดังกระพี้คุรานคืออาหารเนี่ยพวกข้าวน้ําอากาศเนื้อสัตว์ปลาในมหาสมุทรนั่นเป็นอาหารร่างกายหมดเลยส่วนวิญญาณที่อัลลอฮ์เป่ามาในร่างของลูกเราตอนอายุร้อยยี่สิวนเนี่ยอาหารของมันอะไรรู้ไหมคือละอิละอิละอัลลอฮ์สุจุตุอัลลอฮ์อ่านคูอ่านซิกุลลอฮ เห็นไหมี่น้องทัหลายเพราะในคัมภีลกรุรอานนยะอื่นอัลลอฮ์อธิบายอย่างนี้จะเกิดที่ไหนก็เกิดไปเถอะจะเกิดในเปอรลิสตานจะเกิดในอิสราเอลจะเกิดในบริสตานก็เกิดได้แต่เกิดมาแล้วเนี่ยอย่าเพิ่งตายเวลาตะมูตุ น, นอิลลาวะอันตุน ม, มุสลิมุนอย่าเพิ่งตายตุนประทานาทัน้งหลายจะได้เรียนรู้เรื่องอิสลามก่อนแล้วค่อยตายทีหลังพี่น้องสงังงังฮะไั้ท่านคนที่อา่านกูรูอานพี่น้องครับไม่มีใครปฏิเสธอัลลอฮ์ แต่คนที่ไม่อ่านอาัลกุรอานเท่านั้นหละครับเป็นคนที่ปฏิเสธอัลลอฮ์สุบฮานะฮูอัตตาลต่อมาครับเมื่อสร้างอาดัมเสร็จแล้วสมบูรณ์แล้วเป่าวิญญาณลงไปแล้วฟ้ากงองอู้ะฮูซาจีดีนฟ้ากองคูแปลว่าเกิดขึ้นแก่เขาซาจีดีนแปลว่ากม้มลงกราบซาจิศแปลว่ากราบ พี่น้องครับดังนั้นเมื่อฉันได้ทำให้เขาสมบูรณ์และฉันได้เปล่าวิญญาณของฉันลงไปในเขาพวกเขาก็ล่องก้มลงนนบ้นอมต่อเขาพี่น้องครับการก้มนี่นะครับไม่อนุญาตให้ใหก้มกราบใครนอกจากอัลลอฮ์องเดียวเท่านั้นแต่ที่มาลาอิ ก, กะกราบนาบีอาดานเนี่ยไม่ใช่กราบท่าทา ถ้สุญูดนะนี่ตับซิดตางนั้นหลายหลาเล่อมอธิบายไว้ว่าเป็นการกระนบนบน อ, อ น, อนอบ น, ออน้อมถ่อมตนนอบน้อมถ่อมตนให้เกียรติแต่ให้ะยะเรสเปคอย่างเราเร่งก้มศีรษะเราอย่างนี้อนั่นแหละเป็นการให้เกียรติไม่ใช่สูญูดนะครับพอสูญูดนั้นต้องสูญูด ต, ต่ออัลลอฮ์องเดียวเท่านั้นไม่อนุญาต ศาสนาอิสลามไม่อนุญาตให้ไปกม้มลงกราบสิ่งอื่นใดนอกจากอัลลอ์สุภานะหูวะตาลาในคุรานสุลรออื่นสุลรอสซาจตอธิบายบอกว่าอัลลอฮ์เป่าวิญญาณลงไปในร่างของเด็กนี่นะครับก่อนเป่าอนะัลลอฮ์สร้างละก่อนสร้างหูก่อนในคันมุดลูกนะสร้างหูก่อนแล้วก็สร้างตา วันอัฟอิดะ ah, สร้างหัวใจเห็นไหมนี่เราเล่าในหนัพูอานเล่าให้นบีบุห์มาดฟังอัลลอฮ์เนี่ยสร้างอะไรก่อนที่อยู่ในในร่างนะอยู่ในมดลูกของของภรรยาเนี่ยหนึ่งสร้างหูก่อนอัซซัมวันอัซอดสร้างตาก่อนสร้างหูก่อนต่อมาตาวันอัฟอิดะ ah, แล้วก็หัวใจแล้วจริงครับพี่น้องลองไปหาแพทย์ดูสิลูกหลานที่เรียนแพทย์อยู่ถามว่า ในคานมันดาเนี่ยอัลลอฮ์สร้างอะไรก่อนสร้างหูก่อนแล้วก็สร้างตาแล้วสร้างหัวใจที่หลังพอครบร้อยยีสวันเราเป่าวิญญาณลงไปที่หัวใจห <c oughs> ลับจุลิลนทรีย์ไปนอนแล้วก็กระดิกได้อะไรได้เต้นได้ร อ, อพลังฉลาเราต้องขอบคุณอัลลอฮ์สุภานหูวตาตาแล้วพรังคำว่าซาดีดีนนะหมายถึงหมายถึงเป็นการเคารพนะครับไม่ใช่กราบนะครับ เวลาแปลก็ตองแปลว่าเป็นการให้เกียรติกับอาดัมไม่เจกาบนะครับและอีกครานึ่งเขาว่ามิรูห้หจากวิญญาณของฉันนี่เป็นการให้เกียรติกับมนุษย์ทุกคนเพื่อให้มนุษย์ไม่ให้ลืมตัวว่าตัวเองนั้นนะ่ะมาจากทองนะไม่ใช่มาจากหินไม่ใช่แต่มาจากอัลลอฮฺสุบฮานูวะตะอาลาพี่น้องครับอายาที่73บนะครับ ف س َ ج د ا ل م ل ا ئ ك ة ُ كلهم أجمعون الله أكبر ف س َ ج د ا ل م ل ا ئ ك ة ُ كلهم أجمعون الله أكبر อายะที่เจสานะครับสุรัสซอดนะครับซาจด้าแปลว่ากราบ อัลมาลาอิกาก็คือบรรดามาลาอิกาทั้งหมดกุลลูห uh, ุมอ่ากุลลูหุมแปลว่ารวมแปลว่าทั้งหมดอัจมาอุลแปลว่ารวมรวมพวกเขาทั้งหมดรวมพวกเขารวมทั้งหมดพวกเขารวมทั้งหมดที่คําเน้นนะกุลลูหุมแปลว่าอ่าทั้งหมดอัจมาอุลแปลว่ารวมรวมทั้งหมด เป็นการเน้นบอกว่าบรรดามาลก้ทั้งหมดนั้นไม่มีใครฝ่าฝืนคำสั่งของอัลลอ์เลยแต่ด้านการสุญูดเนี่ยเมื่ออัลลอ์สั่งให้มาเลกาสุญูดมาเลกาสุญูดหมดเลยนะครับแต่สุญูดที่นีไม่ใช่สุญูดแบบที่เรา้ะหมาดนะครับเป็นการ e s p เ c คให้เกียรตินบีอาดัมได้นบน้อมนะครับกุลูหุมแปลว่าทั้งหมด อัจมาอุรวมกันเน้นสองคำนี้แสดงว่าอัลลอฮฺอัลลาห์นี่นะครับเล่าให้นบีบุห์มัดฟังว่ามล า, ายกาทั้งหมดเนี่ยไม่มีใครทรยศ ด, ดื้อดึงคำสั่งของอัลลอแม้แต่คนเดียวส่วนอิบลิสเปน้องครับี่วาดื้อดึงนั้นน่มันเป็นใครหรือาอบุลยินน่มันเป็นใารมันเป็นพ่อเป็นพ่อของของยินทั้งหมด ยินละสายตอนทังหมดหัวหน้าอิบลิสเป็นหัวหน้ายินเป็นเป็นเป็นลูกน้องนะครับต่อมากับไปย่าที่เยซอิลลัอิบลิสอิสตักบาราวะกันมินอลกาฟิรินอิลลัอิบลิสอิส ต่คบอราว่กันนมินอลกาฟิรินผู้ที่ไม่สุญญ์ผู้ที่ไม่เชื่อ Allah, Allah, อัลลอฮ์อัลลอฮ์เล่าทาก็ฟังอ่านให้นาบีอัลมัดฟังบอกว่าอิลลัเว้นแต่อิบลิสใส่ชื่อเลยอิบลิสพี่น้องสังเกตไม่มีใครตั้งชื่อลูกว่าอิบลิสไม่มีนาะเพราะว่าเป็นผู้ที่ถรดยศต่ตอคำสั่งอัลลอฮ ไม่มีใครตั้งชื่อในโลกนี้นะครับไม่มีใครตั้งชื่อกัมพออิบลิสนะครับแต่ชื่ออาดัมมีไหมเยอะชื่อมุฮัมมัดดีเยอะมากในประเทศอังกฤษไปน้องชื่อมุฮัมมัดอาดัมเนี่ยเยอะมากชื่อบรนดานับีเยอะหมาแต่อิบลิสไม่มีใครตั้งชื่อนะครับไปนะ้องอิลลัอิบลิสเว้นแต่อิบลิสไม่กระทาอิสตักบารอเนี่ยอัลลอฮ์เล่าเองนะครับอัลลอฮ์ต้องการที่จะตําหนิ I b บลีบ่าอิสตักบ a รบ์รแปล ว, ว่าโอหังท่านคนนี่พี่น้องครับถ้าเรียนศาสนาแล้วห้ามโอหังถ้าเข้าใจกุรอานแล้วห้ามโอหังถ้าอยู่ในศาสนาอิสลามแล้วห้ามโอหังเวลามีเงินมีทองห้ามโอหังเวลามีชื่อเสียงกิตย์ยศในสังคมมีพี่น้องสังคมมีพน้องมุสลิมให้เกียรติยกอย่องเรสเปคอย่าโอหังอย่าอวดดี พราะการโอหังและอวอวดดีนั้นเป็นนิสัยของอิบลิชไซต์ตอนเราต้องฝึกลูกของเราพี่น้องพ่อแม่ทั้งหลายนะอย่าให้ลูกเราเนี่ยโอหังอวดดีนะเวลาลูกเราทํางานสําเร็จนะให้สู้อยู่ต่ออัลลอฮ์ไม่ใช่โอ้ฉันแน่ฉันเก่งไม่ใช่พี่น้องนั่นคนกาเฟสเขาอบรมลูกเขาแบบนั้นแต่ว่าครอบครัวมุสลิมเวลาลูกสอบได้ทีหนึง่งลูกไปไปอ่นานมนมาด ไปแปลงฟันแ ล, แล้วไปสุยูดต่ออัลลอฮ์ไปเวลาลูกสอบติดนูน่นติดนี้พอยายโรงเรียนจะต้องไปเรียนนร้เรียอา้าวไปสุยูด ต, ต่ออัลลอฮ์ไปไะขอบคุณอลัลลอฮ์พี่น้องครับต้องอบรมลูกเราอย่าให้เป็นคนที่อิสตักบรารออย่าเป็นคนที่ทรยศต่ออัลลอฮ์โอหังต่ออัลลอฮ์แต่เราต้องอบรมลูกเราให้เป็นคนที่นอบ น, ออน้อมถ่อมตนทําตัวเหมือนมลาอิกานะครับ ว่ก็นามีนรกฟิรินและพวกอิบลิทนั้นมันอยู่ในหมู่ผู้ปฏิเสธกาเฟตผู้ปฏิเสธสับนี้เป็นตาดเป็นรองครับพูดมากก็ไม่ได้พะคนคนกาเฟตจะเริ่มรู้แล้วว่ากาเฟตนี่มันสับที่อยู่ในคาเฟโกนานแล้วว่าผู้ปฏิเสธเราก็เปลี่ยนคำใหม่หมู่นาฟิกระกันแล้วกันนะครับไปคต่อมาครับอายาที่เจ็ดสิบห้า Kau layak iblis ma mana agan tas Juda lima kolak tu biadaya astaghfir taam kuntamin alaalin. Kau layak iblis. Ma Mana akan a tas juda lima k h a l a q t u b i y a d a y astakh a b a r t a am kuntamin a l a l i n Allah u akbar. Alhamdulillah. k h a f u a r a l l a h n a k a s i a k a t a a s i h r a k a u r m a k a s h m a i h a k a i t e a k a s i r a k a i i a i h t e r a k a m a i r i m a k a s a h t i m a r i m a k a s h a k a s a h t e i m a e m a k a s h m a k a m a h t a h a m m m เรื่องบนชั้นฟ้าทั้งหมดนะพี่น้องครับเรื่องบนชั้นฟ้าอัลลอฮ์เล่าให้นบีมูฮัมมัดฟังพราะนาบีไม่รู้ว่าบนชั้นฟ้าเนี่ยเขาคุยเรื่องอะไรกันอัลลอฮ์ถามบาวยะอิบลิสอิบลิสเอ๋ยอ่าพูดเพราะนะยาอิบล ah ิสอิบลิสเอ๋ยก็เป็นบาวอัลลอฮ์ทั้งหมดนล่ะพี่น้องมามานาอากะมาแปลว่า ma อันใดมานาแปลว่าห้าม ก้าท่านอันใดได้ห้ามเจ้าไม่ให้มามานาอาก้อันใดได้ห้ามเจ้าไม่ให้อันตาสยุดาโนบนนมรู้ว่ากราบสุญูดแต่จะแปลว่ากราบสุญูดไม่ได้เพราะยกเป็นแต่อัลลอฮ์องเดียว แต่ภาษาที่พอ่อจะสุดก็คือนบน้อมหรือให้เกียรติทําไมท่านจึงไม่ให้เกียรติต่ออาดัมอลัลลอฮ์ถามอิบลิสมาลิกาน่ะสูดหมดเลยไปน้องกราบหมดนะครับเรสเพให้เกียรตินบน้อมหมดยกเว้นอิบลิสนะครับไม่ยอมที่จะให้เกียรตินะบีอาดัมอลัลลอ์ถามมามานาอักะ อันใดได้ห้ามเจ้าไม่ให้นบน้อมลิมาคอลักตุลีมาแปลว่าต่อที่คอรักตุฉันได้สร้างบียาไดยาด้วยมือของฉันทั้งสองฉันนี่นะสร้างอาดามมาด้วยมือของฉันทั้งสองอุลมะอธิบายว่าอาัลลอฮฺไม่ได้ลงมาสร้างเอามือมาทําเป็นการให้เกียรติมนุษย์ ด้วยความสามารถของอัลลอฮ์เขาว่ายาดุนนี่แปลว่ามือนะแต่นี่เาอธิบายว่ากุนดาะด้วยความสามารถของ Allah, อัลลอฮลเราสั่งกุนพอยากุนพอสั่งปั๊บมันก็เป็นนะพี่น้องครับแต่อัลลอฮ์เล่าเพื่อให้เข้าใจง่ายๆว่าคอลักตูบียไดยะฉันได้สร้างมาด้วยมือทั้งสองของฉัน อัลลอฮ์ไม่ได้ลงมาเอามือมาจับดินปั้นเป็นดินเป็นคนไม่ใช่อัลลอฮ์เพียงแต่สั่งให้เป็นอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้คนที่อ่านคุรานต้องเข้าใจแบบนี้ด้วยนะครับอะไรเป็นเหตุทําให้คุณเนี่ยในปฏิบัติตามฉันฉันสร้างอาดา ม, มาด้วยประหัตของฉันด้วยมือของฉันด้วยความสามารถของฉันอัสตักบตัตตาเนี่ยเราถามนะเจ้าโอหัง คุณโอหังนะอ้ามหรือว่าคุณต่มิน่าลาลีหรือพวกคนอยู่ในหมู่ผู้สูงส่งจึงก้มให้ใครไม่ได้จึงกราบใครไม่ได้จึงเรสเปคใครไม่ได้เคารพใครไม่ได้ให้เกียรติคนไม่ได้คุณใหญ่หรือคุณสูงทรงหรือคุณโอหังหรือนี่ถามสองคำคุณโอหังหรือหรือว่าคุณสูงทรงเกินไปที่จะคุณจะให้เกียรติจะก้มลง ให้กับนบีอาดัมไม่ได้คุณเก่งนักเลยอ๋อเนี่ยอัลลอฮ์ถามวันนี้ก็เหมือนกันครับคนที่ไม่ไม่สูญุต อ, อัลลอฮ์อัลลอฮ์ถามว่าคุณเก่งนักเรยคุณหาหาออกซิเจนใส่ใส่จมูกคุณได้เองเลยคุณเดินบนแผ่นดินของอัลลอฮ์เนี่ยคุณมีบ้านอยู่คุณมีรถขับเนี่ยคุณเก่งนักเรอนี่ทั้งหมดอันนี้อัลลอฮ์อัลาประทานให้ทั้งหมดเป็นเนี้อมัดที่อัลลอฮ์ได้บัด ประทานให้กับคนทุกคนที่อยู่บนโลกใบนี้ดังนั้นคนที่อ่านอ่านอ่านอ่านกุรอานไปน้องครับทุกคนจะนอบนอบถ่อมตนหมดเลยไม่มีใครที่ทรยศเย่อหยิงจองของต่ออัลลอฮ์ผมขอให้กําลังใจพี่น้องบอกลูกท่านนะครับจะสอบเข้ามหาวิทยาลัยพอเข้าได้แล้วอย่ายิงไปชันแน่ฉันแน่ชันแน่ไปบอกลูกให้สูุยญ์เลยนะครับไปบริจาคซับเลยไปที่มัสยิดเอาเงินบริจาคสักร้อยส0ง0้อยพันสองพันบอกลูกไปเลย พยาก็เหมือนกันพี่น้องได้รับความสำเร็จในชีวิตมาอย่ายิงอย่าตะก บ, บุอย่าเย่อยิงแต่ทำงานครับที่ดีที่สุดก็คือให้สูอยูตอ่ต่ออัลลอฮฺ س ب ح ا ن าแะก็ัลาอา์พระอัลกุรอานอายะนี้มาอธิบายพี่น้องครับอยายะที่76็นะครับกอลอานาคอยรุมมินหู خلقته นิมนาริวและ خلقته มินทรีอัลฮัมดุลิล ا อฮฺอัลลอฮฺอัลกุบร์กล่าวว่าฉันเป م นผู้ดีที่สุดในนั้นและฉก็สร้างอนอต โอ้โมันตอบมันตอบอร่อยนะมันคิดเองตอบเองหมดเลยไม่ได้เอาความรู้จากกรุงอ่านเลมัใช้สมองมันเองให้คนที่ใช้สมองเรื่องอิสลามเนี่ยไม่อนุญาตให้นะครับพี่น้องอย่าเดินตามคนกาเฟ่นะครับให้เดินตามนาบีเพราะนบีเป็นบุคคลตัวอย่างมาดูอิบลิสมันตอบไงรู้ไหมก็เนี่ยอิบลิสมันกล่าวว่าอานาคอยรุมม um ินหอัน่าแปลว่าฉัน คอยรุนแปลว่าดีกว่ามินหูดีกว่าเขาคอยรุนเนี่ยชื่อคอนเครส์นะพี่น้องคองเครแปลว่าคองดีแต่เรามาเพียนเป็นคอนอะไวนะคอนเครสตแต่เดิมนะแปลว่าคองเครสคองคอยรุนอาณาคอยรุมมินหูอิบลิทพูดแปว่าฉันนดีกว่าเขาคอยรุมมินหูฉันเนี่ยดีกว่าเขาอาณาเบเตอร์เดนฮิม ใครพูดหรือไม่อิบลิชชายตอนพูดพี่น้องครับวันนี้อิบลิชนี่นะที่มาอยู่ในบ้านเรามีชายตอนอยู่ในบ้านเรามันเคยบอกกับอัลลอฮ์ว่าฉันเนี่ยดีกว่ามนุษย์ดีกว่าอาดำดีกว่าลูกของอาดำทั้งหมดท่านมันจะยุ ม, มนุษย์เนี่ยให้ตกนรกให้มากที่สุดเพราะมันคิดว่ามันดีกว่าดีกว่าตรงไหนครับขอดักแต่นีมันยังยอมรับว่าอัลลอฮ์สร้างมันมานะ ท่านในนะัสร้างฉันขอลักตานี้พระองค์ได้ทรงสร้างฉันมินนารินจากไฟอย่างครับนี่เดาได้รับความรู้นะครับไซตอนอิบลีถูกสร้างมาจากไฟยินถูกสร้างมาจากเปลวไฟมนุษย์ถูกสร้างมาจากดินมนุษย์คนแรกคืออาดัมเกิดมาไม่มีพ่อไม่มีแม่น บ, บีอิสามีแม่ไม่มีพ่อโตฮาว์มีพ่อไม่มีแม่ พวกเราวันนี้มีพ่อและมีแม่ขอบคุณอลัลลอฮ์อย่างไงครับพี่อนลนี่ไซตตอนเล่าเองนะครับอลัลลอ์เล่าให้นาบีมันฟังว่าไซตตอนอิบลิดพูดอย่างนี้ขอลักตานีมินนารินพระองค์ได้ทรงสร้างฉันมาจากไฟว่าขอลักก็ตะหู <c oughs> และพระองค์เนี่ยสร้างอาดัมมินตีนจากดิน <c oughs> อลัลลอฮ์พี่น้อง <c oughs> มันนึกเอง ไอ้เต่าซีตอธิบายว่ามันนึกเองที่อัลลอฮ์สร้างมันมาจากไฟมันนึกว่าไฟเนี่ยดีกว่าดินมันมีธาตุสี่ธาตุใช่ไหดินน้ำํำลมไฟอัลลอฮ์พี่น้องไม่มีอะไรดีกว่ากันเลยเท่ากันหมดดินน้ําลมไฟพี่น้องนี่ไอ้ดินน้ําลมไฟนี่นะทุกวันนี่มันเดินตามที่อัลลอฮ์สั่งอยู่นะ วันนี้โลกอยู่สบายไม่มีปัญหาพี่น้องครับแต่มีมีโควิดมานี่โอ้เนี่็ปั่นหมดเลยแค่โรคเดียวในพี่น้องเจ0ดพันล้านนี่ปั่นหมดเลยนะพี่น้องครับตอนนี้ถ้าหาว่าน้ามันมากกว่านี้เป็นไงครับจมถ้าแผ่นดินนี่มันไหวอยู่ได้ไหมลมถลมพายุมาคนตายหมด ดินน้ำลมไฟถ้าไฟพี่น้องก้อนนี้แสงอาทิตย์ถ้าร้อนกว่า น, นี้อีกนิดนึงนะออลลอฮฺพี่น้องทำไมเราไม่ขอบคุณออลลอฮฺทำไมไม่นึกถึงออลลอฮฺดินน้ําลมไฟสี่รายการนี้อยู่อย่างปกติเพราะออลลอฮฺสั่งว่าอยู่อย่างเฉยๆนะอย่าสร้างความเดือดร้อนให้กับมนุษย์นะให้ได้พี่น้องครับนี่แต่สี่ตอนนะพุทธันถูกสร้างมาจากไฟไฟดีกว่าดินใครบอกคิดเอง เรื่องเรื่องศาสนาคิดเองไม่ได้เรื่องศาสนาอย่างพวกเราวันนี้ต้องฟังว่านบีสอนยังไงนบีอธิบายยังไงเดินตามนบีประมาสรมพี่น้องอะไรที่ไม่รู้บอกฉันฉันไม่รู้จบไปทำด้วยลนละ่ะไม่เห็นเสียหน้าจะต้องอธิบายทุกเรื่องหรือของที่เราไม่รู้กระบอกไม่รู้ไม่เห็นเสียหน้าตรงไหนครับเพราะว่าอิมามอิอบนะฮัมบัน อิมูตัตมียะหลายๆคนก็เป็นอาเลมอุลมามพี่น้องบางทีเขาก็ตอบปัญหารู้แต่ไม่อยากจะตอบนะครับมาชาวฉันรู้ทุกเรื่องการนอบน้อมถ่อมตนเป็นมารยาของผู้ศรัทธาต่อ All. ตอัลลอ์ตกลงว่าไสตตอนมันพูดว่าฉันนี่ถูกสร้างมาจากไฟหรืออัลลอ์จะสร้างฉันมาจากไฟท่านไฟกับดินใครดีกว่ากันมันคิดเองบอกว่าไฟนั่นดีกว่าดินต่อมาครับ อยายะที่เจดพี่น้องครับอยายะสุดท้ายนะพี่น้องนะความจริงในสุ ร, รอะห์มานก็พูดไว้เหมือนกันนะครับว่าคอละข้ออินซาน้มินซอลซาลิงข้อละข้อจาน้มินนาริจิมินนารพระองค์ได้ทรงสร้างมนุษย์มาจากดินแห้งมีเสียงเช่นภาชนะดินดินเผาอ่าคล้ายๆกันคล้ายๆมนุษย์นะครับ ว่าข้อละกัลยาณมินนาริยมินนาจะพระองค์ทรงสร้างยินจากเปลวไฟที่ร้อนไม่มีควันนี่อรลรละนักฟิล์ก็อ่านว่ามนุษย์สร้างมาจากดินบาลีกาสร้างมาจากรัศมีนะครับไสตอนนะครับยินแล้วก็อิอบลิสเนี่ยถูกสร้างมาจากเปลวไฟนี่อัลรละนักฟิล์ก็อ่านหมดเลยนะครับพี่น้องอายัสุดท้ายของวันนี้ก็คือกอเล ฟาครูจม All e ินฮาฟาอินนักَารจีมอัลลอฮ์อันนี้ต้องขอบต้องขอบคุณอัลลอฮ์นะครับต้องกล่าวเยอะๆนะอุบิลลาฮิมินซ่าเกกอล่าฟาครูจมินฮาฟาอินนักการจีมกอล่าแปลว่าเขากล่าวมาถึงอัลลอฮ์กล่าวอัลลอฮ์ตรัสตัดกับอิบลิชไซตอน เก่าไงนะฟ้ขรู้อย่อรอดเจ้าแปลว่าออกฟ้าุณตัวจงออกฟ้าแปว่าดังนั้นจงออกมินฮาไปจากที่นี่นี่เรื่องบนชั้นฟ้าหมดเลยกับพี่น้องนบีไม่รู้พรอลัลลอฮ์เล่าให้ฟังอลัลลอฮ์เล่าให้นบีฟังว่าเมื่อเมื่ออิบลิชตอนปฏิเสธที่จะไม่สุยู่ต่ออาดัม อัลลอฮ์ถามบอว่าทําไมไม่สุญูดเมื่อสังชาตฉันสร้างอาดามมาจากความสามารถของฉันพระหายของฉันด้วยมือของฉันทั้งสองข้างคุณไม่ให้เกียรติเขาเลยมันบอกว่าฉันสร้างท่านนะสร้างฉันมาจากฟ้าและสร้างอาดามมาจากดินเมื่อปฏิเสธต่อต้านอั Allah, ลลอฮ์เราบอกฟักระดู จ, จงออกไปจากที่นี่มีสองความหมายนะตาสิบวันหนึ่งออกไปจากสวรรค์มาก่ออยู่ในสวรรค์กันหมดสองออกมาจากชั้นฟ้า เองออกจากชานฟ้าไปอยู่ใต้ดินนุ่นไปอยู่ข้างล่างนุ่นขันบนชานฟ้าไม่ให้อยู่แล้วเห็นไหมฟ้าเขารุ้แักว่าจงออกไปนะครับจากอะไรนะจากชั้นฟ้าหรือออกจากมินอนยันนะในเตาซึ่มาดาเรีกอีกหลายๆเล่ม น, นะครับระวะ่าอัญญันนะเอามินอสมาออกไปจากช้นฟ้าไล่ไชตตอนอิบลีดไม่ให้อยู่ในในสวรรค์หรือไล่ออกมาจากช้นฟ้า ฝ่ายอินนากะรอจีมเจ้าเป็นผู้ถูกขับไล่รอจีมอาอูสบิลับมินซาตอนในรอจีมเขาบอกรอจีมไม่ว่าถูกถูกขับไล่ถูกละนัดถูกสาบแช่งจากอัลลอฮฺสุบฮานาหูตะอาลาไปน้องครับใครที่ถูกถูกสาบแช่งนะชีวิตไม่มีบรรยากศาศแต่ว่าทางตายเลยไปน้องฉะนั้นเราห้ามด่าซาตอนซาตอนนีนห้ามดา่ามนุษย์เนี่ยก็ห้ามดา่าไปน้อง มนุษย์ทําอะไรไม่ถูกใจเราอย่าไปดา่าไปน้องให้อ่านว่าอูซบิลไลเป็นนักใส่ตอนนิโรธีไปน้องแต่นี้มนุษย์นี่ย เ, เวลาถูกด่าเยอะๆโมโหแต่ใส่ตอนตรงกันข้ามไปน้องครับถูกด่าเยอะๆมันดีใจเอาด่าฉันมาด่าฉันมาด่าฉันมาให้ไปคฉะนั้นไปน้องครับนบีเลสยาาสายยั่งว่าอย่าด่าใส่ตอนยิ่งด่าใส่ตอนยิ่งดีใจยิ่งแฮปปี้ฉะนั้นทำํำไงครับ ให้บอกบอกอัลลอ์ฉันขอความคุ้มครองจากอัลลอ์ให้พลจากสายตอนที่ถูกร่า ย, ยิมถูกสาบแช่งถูกงดความเมตตาถูกไล่ออกจากความเมตตาของอัลลอฮ์สุบฮานหวอาลาคำว่ารายยิมในภาษาอาหรับบอกว่ามัตูรูดุนมินารอฮ์มาถูกขับไล่ออกจากความเมตตาของอัลลอฮ์สุบฮานหวุวดอาลาก่อนจะจบไปน้องครับผมอ่านหนังสือประวัติของระบีมุฮัมมัด นบีเป็นคนทันสมัยมากครับพี่น้องทันสมัยยังไงครับอยากจะให้พวกเราคนหนุ่มหนุ่มสาวๆนะั้นเดินตามนบีนะนบีจะออกเดินทางพี่น้องครับนบีจะพาของที่ติดติดตัวไปพี่น้องเจ็ดรายการเจ็ดรายการนะให้คนหนุ่มคนสาว ฉันอยากจะเดินเป็นคนทันทันสมัยเพรวะว่าเดินตามนาบีดีกว่านะนบีจะมีพาติดตัวเจรายการอยู่ในอยู่ในถุงหนังสัตว์อยู่ในถุงนะเพ่นะ้องหนึ่งอะไรบ้างครับหนึ่งน้มันมีน้มันอามีน้มั น, ม น, อม น, มนสองมียาทาตาจะไปไหนมาไหนจะออกไป ต่างจังหวัดหรือว่าออกไปอะไรน่ห้าชั่วโมงสิบสิบชั่วโมงหรือวันวันสองวันนบีจะพาหนึ่งในน้ำมันแล้วน้ำมันนี่นะอยู่ในขวดน้ำมันไสตูนนี่นะไม่ใช่น้ำมันมะพร้าวน้ำมันไสตูนน้ำมันมะกอกสองยาตาตาสามกระจกรอพี่น้องอันที่สี่หวีอันที่ห้ากันไกลอันที่หกแปลงสีฟัน อันที่เจ็ดอะไรนะเข็มกับได้อัลลอฮพี่น้องนี่เป็นความเมตตาที่อัลลอเล่าเอาเรื่องของนบีมาเล่าให้เราฟังบรรดาซอบาลนบีเก็บเรื่องของนบีทั้งหมดมาเล่าให้เราฟังว่านาบีเนี่ยจะออกไปไหนมาไหนนบีจะพาของเจ็ดรายการหนึ่งอะไรนะัพี่น้องน้ำมันไตรโทนอยู่ในขวด สองยาทาตาน บ, บีจะทาตาตลอดเวลาพี่น้องข้อที่สามกระจกเงากระจกนะข้อที่สี่หวีอลัลลอฮ์ทันสมัยครับข้อที่ห้ากันไกลยอย่าไวต้ตัดโน๊กตัดนี่ข้อที่หกแปรงสีฟันข้อที่เจ็ดอะไรนะเทมเหล่ได้อลัลลอฮ์พี่น้องครับเปียงอย่งครับไม่มีโทรศัพท์โอโทรศัพท์ไม่มีพี่น้องดังนั้นใครที่อยากจะเป็นคนทันสมัย นี่ผมเห็นคนหนุ่มหนุส่สาวนะเห้นพาวีกันนะพากระจกพาลิปสติกใช่ไหมมันน่าจะมีของอีท่านนบีเห็นน้ํามันไตรทูนยาทาตากระจกเงาหวีกันไกาแปรงสีฟันเข็มแล้วก็ได้อาลอยพี่น้องครับนี่เป็นความเมตตานะครับอีกเรื่องหนึ่งนะครับพีบนนบ่น้องนบีเนี่ยนะครับกลางคืนเนี่ยอาบน้ำกี่ครั้งไปลองทราบไหมอาบน้าน้ำลากี่ครั้งนบีเนี่ยอาบน้ำน้ำลากลางคืนเนี่ยกี่ครั้ง ผมเช็คในหะดีสท divorce, One, ankles, im, whereas, Three, ั้งหมดนะห้ห้าครั้งหนึ่งตอนนมาดมะริบอาบน้านมาดสองนมาดอิชาอาบน้านมาดสมก่อนนอนอาบน้ำนมาดสามลยนะก่อนนอนนะข้อที่สนมาดตะขัดยุทธอาบน้ำนมาดข้อที่ห้านมาดสุบริษัทสรางวัลนบีเนี่ยอาบน้านมาดกลางคืนนี่หมายกี่ครั้งนะหครั้งข้อที่หนึ่งอะไรนะ อาบน้ําน้ำมาตอนน้ำหมากริบอันที่สองอาบน้ําน้ำมาตอนน้หมาอิชาสามอาบน้ําน้ำมาตอนจะเข้านอนสี่อาบน้ําน้ำมาตอนน้หมาตะหัหยุดห้าอาบน้ําน้ำมาตอนตอนน้ำหมาสุโบเรื่องที่สมถามท่านไปนองว่ารู้ไหมนบีนะชอบทานผักอะไรพรอหลายคนไม่ชอบทานทานทานผักชาวบ้านนบีก็เหมือนกันไปนองพอรู้ว่านบีชอบทานผักก็ชอบตามนบีด้วยนบีชอบทาน ผักที่เป็นน้ำเต้าอลลอฮฺเพียน้องผมก็มากอ่อนก็ไม่ชอบตอนนี้ชอบเห็นนบีชอบเราชอบตามนาบีพี่น้องครับน่าชอบทําน้น้าเต้าอลลอฮฺทำนี่ละอีกเรื่องนะครับท่านนาบีเนี่ยเวลามีคนก็ให้ให้ของมานะครับไม่เคยไม่เคยปฏิเสธไม่ยู่ยสียรายการเวลานาบีมีคนให้ของมาเนะี่ยเสียรายการเนี่ยไม่เคยปฏิเสธหนึ่งให้หมอนแต่เกี้ยแต่เกี้ยว เอาด้นะตะเกียตะเกียรนี่แหละเพรว่าหมอนพี่น้องครับมีจะไปบ้านใครก็ตามถ้าจะของบ้านก็เอาหมอนมาให้นบี น, นบีไม่เคยปฏิเสธข้อที่สองน้ํามันไตูนให้มาไม่เคยปฏิเสธน้ํามันข้อที่สของหอมพี่น้องครับเรื่องน้ำหอมทุกชนิดให้นบีนาบีไม่เคยปฏิเสธข้อที่สี่นมอ่าวาซาอุดูว่าดูดดูดแปลว่านมพี่น้องครับลบัณ น, นม สีรายการนี้ใครให้นบีมานาบีไม่เคยปฏิเสธเปนองกับอลฮัมดุลิละอะไรบ้างครับหนึ่งหมอนสองน้ำมันไตูนน้ำมันมะกอกสามของหอมทุกชนิดข้อที่สี่นมนบีไม่เคยปฏิเสธนะิ น, นและทุกครั้งที่นบีจะดื่มนมนบีจะอ่านดูอาอ์ตอนสุดท้ายอัลลอฮ์มาบาริกละนาฟีห์วะซิดนามินห์อัลลอฮฺมาบาริกละนาฟีห์วะซิดนามินห ข้อสุดท้ายนะครับทั้งหลายนะครับน บ, บีเนี่ยจะเอาน้ํามันเนี่ยทาที่ผมที่ร่างกายที่แขนที่ขาแล้วก็นวดด้วยพี่น้องนวดต้นคอด้วยนะพี่น้องเรื่อน้ํามันนะครับน้ํามันไสตูนอาจานย์พี่น้องครับวันนี้ถ้าต้องการพี่น้องอยากจะให้สุขภาพแข็งแรงนะครับพี่น้องพยายามมีน้ํามันไสตูนใส่ขวดเอาไว้นะครับแล้วก็นวดนั้นนวดนี่นวดตานวดผมด้วยพี่น้องจะทําให้สุขภาพแข็งแรง ข้อสุดท้ายอยากจะฝากว่านาบีนะแบ่งกลางคืนออกเป็นสามช่วงไม่ใช่เลยี่สิชั่วโมงของนบีวันหนึ่งนบีแบ่งเวลาออกเป็นสามช่วงช่วงละแปดแปดแปดแปดแปดฝรังเอามาใชา้มนุษย์อามาใช้ไปน้องทั้งหลายครับนบีแบ่งเวลาเพื่อทำอิบาดตาต่ออัลลอ์ไปสอนศาสนาทำอิบาัตาเนี่ยวันละแปดชั่วโมงสิบชั่วโมงก็มีนะครับข้อที่สอง นบีนี่นะครับจะดูแลตัวเองดูแลครอบครัวอยู่กับบ้านทํานนทํานี่อีกประมาณแปดชั่วโมงแล้วก็นอนพักผ่อนนะครับไม่ใชนอนอย่างเดียวไป น, อน้องนอนด้ยวยลูกขึ้นมาแต่ฮัดยัวจนนบีแบ่งเวลาอยู่ที่บ้านประมาณสามชั่วนะหนึ่งอยู่กับภรรยาอยู่กับลูกเล่นกับลูกเล่นกับหลานกวาดบ้านรีดนมแพะเนี่ยวันละแปดชั่วโมง พักผ่อนแปดชั่วโมงแล้วก็ทำอิบาตาต่ออัลลอ์อีกแปดชั่วโมงอยู่กับอยู่กับสังคมอยู่กับศาสนาของอัลลอ์สุานอสุดท้ายนี้ผมขออ้อตวอนร้องให้พี่น้องที่ชมรายการมีบารการในชีวิตมีสุขภาพแข็งแรงมีหมานที่มั่นคงมีตักวามียากรีมียัสรมีอิคลาสมีลูกหลานที่สอเลวัยขออ้อนวอนให้ท่านสุานกลอฮุมะวะบิฮัมดชวลัยลฮิลาอละอันตะอัตักฟิลูกะวะตูบอิลัย